ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายคืนวันนี้ก็จะขอพูดอันนีบายการที่จะก้าวเข้าสู่ความเป็นโะโสดาบันต่อไปตากว่าบรรดาทรนรมโยคาวาจรทั้งหลายที่มีอารมณ์เข้าถึงแล้วก็ต้องขอประทานอภัยด้วยตั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่า เพื่อบุคคลที่ยังเข้าไม่ถึงเป็นสำคัญสำหรับวันนี้ก็จะขอพูดจุดที่สำคัญที่สุดที่บรรดาพโยคาวะาจรหลายจะต้องสามารถทรงให้ได้ถ้าทรงไม่ได้ในจุดนี้การเป็นบสดาบันไม่มีทาง บอกได้เลยบอกว่าไม่มีทางที่จะพูดกวันนี้ก็ได้แก่บารมีสิบเพราบารมีสิบอย่างแ้วก็จงอย่าลืมว่าการพูดวันนี้เป็นการพูดถึงบารมีของพระโสดาบันเท่านั้นไม่ใช่บารมีของพระอาหารหันต์ นี่ก็ต้องว่ากันไปตามขั้นมีบางทีหลายหลายท่านถามว่าบารมีสิทนะ่ะสามารถจะทรงได้ไหมก็สัมสิษะบอกว่าไม่ไหวชาตินี้ทัางชาติไม่สามารถจะทรงบารมีสิท์ได้ต้นนี้เพราะอะไรเพราะว่าไม่ทราบว่าคาว่าบารมีมันแปลว่าอะไร นี่สำหรับคำว่าบา ร, รมีนี่แปลว่ากำลังใจความจริงบา ร, รมีท่านแปลว่าเต็มนี่ตอนนี้ก็เคยไปเจ้งเขมามันแล้วเจ้งใครเจ้งพระอาจารย์พระอาจารย์ใหญ่ท่านถามว่าคำว่าเต็มหมายความว่าย่งไงเอาอะไรเข้ามาเต็ม เียนอย่างทานบารมีถ้าต้องการจะให้ให้เต็มโลกจะเลยขนของที่ไหนมาให้เต็มโลกหรือว่าจะให้เต็มความปรารถนาของผู้รับทำยังไงมันถึงจะเต็มให้อย่างนี้เท่านี้แกก็อยาเอาเท่านนนให้เท่านนนแกอยาเอาเท่านั้นให้อย่างนีนนน้แล้วแกก็อยากได้อย่างนนแล้วก็อยากได้อย่างนั้นความอยากไม่มีที่สิ้นสุด ในเมื่อเราให้ให้เขาเต็มความปรารถนาไม่ได้ก็ชื่อว่าเราให้ไม่เต็มเป็นอันว่าทานบา ร, รมีอย่างเดียวก็หาทางคําว่าเต็มไม่ได้นี่ถ้าแยาแปลว่าเต็มเฉยเฉยมันก็อย่างนั้นนี่ท่านบอกว่าบา ร, รมีนี่ถา้าพูดแค้ตรงตามความเป็นจริงก็ต้องแปลว่ากําลังใจคือกําลังใจของเราทรงอยู่ในระดับนั้นตลอดเวลา ในการศึกษาเพื่อความเป็นประสดาบันทั้งนี้ก็บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านอย่าลืมว่าอรตมาพูดหนีพูดตามตำราขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงสอนและจงอย่าถือว่าคำสอนทั้งหมดเป็นคำสอนของอาตมา จงถือว่าคําสอนนี้เป็นคําสอนขององค์สมเด็จตัมมาสังโุติเจ้าไม่ได้นนเพียงอาตมาเรียนมาแล้วก็มาเล่าสวยให้ท่านฟังมาบอกให้ท่านฟังแล้วก็จงอย่าทึกทักว่าอาตมาเป็นพระอรียาเจ้าที่จะยุ่งกันใหญ่จงสร้างความเข้าใจเพียงว่าอาตมาเป็นเพื่อนที่รักของท่านก็แล้วกัน ต่างคนต่างเราก็รักความดีด้วยกันแต่ว่าความดีที่เราทํานั้นจะดีมากดีน้อยก็ไปอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเราก็ไม่สามารถจะดัดแปลงแก้ไขได้เป็นอันว่าจงเข้าใจไว้ว่าธรรมาจะพูดอะไรไปก็ตามจงอย่าคิดว่าธรรมาเป็นพระอริยเจ้า ขอจงทําความมาความรู้สึกไว้อย่างเดียวว่านี่เป็นธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงสอนไว้เพื่อยังปฏิบัติธรรมของเราให้เข้าถึงความเป็นพระอาริยเจา้า <c oughs> แล้วก็ไม่ต้องมาย้อนถามว่าถ้าไม่เป็นพระอาริยเจา้าสอนได้ยังไงก็บอกแล้วบอกแนะนํากันไปตามที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาท่านแนะนำมา อันว่ามาอย่างนี้อารรมมาก็ว่าไปอย่างนั้นก็หมดเรื่องกันไปเป็นอันว่าธารมาเป็นสะพานเดินเท่านั้นที่สำหรับบรารมีนี่ตอนที่บรรดาพระโบราณอาจารย์ท่านหลายท่านสอนกันเมื่อเห็นว่ากําลังจิตของสิทธิ์ของท่านใกล้จะเข้าจุดความเป็นประโสดาบันท่านก็เร่งรัดว่าจงสร้างบรารมีให้ครบถ้วน มายควว่าวธรรมบา ร, รมีที่มีอยู่นี่นให้ครบถ้วนให้จิตมาทรงตัวในบา ร, รมีสิบระการบา ร, รมีสิบรการนั่นมีอะไรบ้างต้องเปิดตำราไหมาหนึ่งท่านบา ร, รมีมีกำลังใจพร้อมอยู่เสมอใ น, นการให้ทานการด้วยการสงเคราะห์ การทานที่เราจะให้นี่เราไม่ได้ให้เพื่อหวังผลตอบแทนเขาจะตอบแทนได้ทานอันเป็นวัตถุแล้วก็ตามขใหะตอบแทนในการสนรรเสริญเย็นยออและการยกย่องก็ตามไม่มีสําหรับพวกเราเราต้องการอย่างเดียวให้เพื่อการส่งเคราะห์ให้เขามีความสุข และในขณะเดียวกันเราก็มีความรู้สึกว่าการให้ทานไปครั้งหนึ่งชื่อว่าเราตัดโลภความโลภโลภไปจุดหนึ่งความโลภมันขาดไปเลยจุดหนึ่งให้สิบครั้งความโลภแตขาดไปสิบชิ้นให้ร้อยครั้งความโลภขาดไปร้อยชิ้นให้มากความโลภขาดไปก้อนใหญ่ให้น้อยความโลภขาดไปก้อนเล็ก นี่หมายด้วว่าให้ให้เด็กให้เด็กศรัทธาให้เพื่อการสงเคราะห์ไม่ใช่หมายวยว่าการให้เพื่อแข่งขันกันอันนี้ไม่ใช่เป็นอันว่าเราจิตใจในการที่เราคิดว่าจะให้ทานการสงเคราะห์มันมีเป็นปกติดั้งแต่ลืมตามันจนกว่าจะหลับไปใหม่ใจมันพร้อมอยู่เสมอเพื่อการสงเคราะห์ในด้วยการให้ทาน เมื่อให้ไปแล้วอารมณ์ใจของเราก็ชื่นบานคิดว่านี่ความโลภหายไปชิ้นอีกแล้วจิตเราก็มีความเบาความสร้างความชุ่มชื่นให้เกิดขึ้นมาในจิตนี่เป็นกำลังใจจุดหนึ่งไม่บารมีสิบประการให้ส่งไว้ว่าเราพอใจในการให้ทาน <c oughs> ได้การให้ทานเมื่อความเป็นประสดาบัญก็ต้องเลือกเหมือนกัน ถ้าให้ไปแล้วจะเป็นภัยย้อนหลังเข้ามาหาเราหรือว่าจะเป็นภัยเพื่อทำลายบุคคลอื่นจงอย่าให้เป็นการสนับสนุนโจร น, นี่ไม่เป็นการสมควรเวลาจะให้ก็ต้องใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาใช่กอ่อนอย่าให้ทรงเดชจะไม่มีผลนี่ก็ดีสองท่านบอกศีลและบารมี ศีลแบารมีหมายความมีกําลังใจและรักษาอารมณ์ของศีลให้เต็มถ้าพระก็ศีลสองยี่เจ็ดเต็มครบทุนบริบูรณ์สมมณเณรทรงศีลสิบให้เต็มครบทุนบริบูรณ์เระวาตทรงศีลห้ครบทนบรบนุนบริบูรณ์คําว่าศีลบริบูรณ์นี่ไม่ใช่หมายความว่าเราจําศีลได้ แล้วต้องระมัดระวังว่าไม่ยอมให้สิ่งข้อใดข้อหนึ่งบกพร่องเป็นอันขาดเราจะรักษาสินด้ดยชีวิตเราจะยอมตัวตายดีกว่าสินงขาดอารมณ์ทรงสินถ้องลืมตาถึงหลับตาเราจะไม่ลืมเรื่องสิลของเราเป็นขาดจะระมัดระวังว่าให้บริสุทธิ์อยู่เสมอแล้วข้อดีสามเมฆขมะ เป็นบารมีที่สามเนคขมะนี่แปลว่าจิตรเราน้อมไปเสมอว่าจะพยายามทำลายอารมณ์ที่พอใจในกรามให้พินาศไปนี่สำหรับระโสดาบันนี่ยังไม่หมดเป็นอันน้ว่าเราจะมีพอความพอใจในเรื่องการมาการรมณ์เฉพาะขอบเขตของเราเท่านั้น คือนัระหว่างสามีระพัญญาเราจะไม่ต้องการเสวยการมอารมณ์นอกเหนือไปจากสามีระพัญญาของเราอย่างนี้จัดว่าเป็นเนคขมะของพระโสดาบันและนอกจากนั้นอารมณ์ใจก็คิดไว้เสมอว่าเราจะพยายามตัดการ ม, มาชันทะลดความรู้สึกในกรมด้วยการทาลายการทำลาย การมาฉันทะนิวรแลดความรู้สึกในกายในกายด้วยการพิจรารณาส ก, กายยติทิฐิและอสุปกรรมฐานอจะไม่เมาในการมาฉันทะมากเกินไปทั้งทั้งที่อยู่ระหว่างคู่ตัวผัวเมียก็าตามทีแต่ถ้าว่าเรานี้ก็าหาทางลดเท่าที่จะพึงจะลดได้ แต่ว่าไม่เพื่อเป็นการไม่ทำลายกำลังใจสิ่งอะไรกันพยายามรักษากำลังใจสิ่งอะไรกันไว้เรียกว่าบัวไม่ช้ำน้ำไม่คนเราจะพยายามระงับหาทารงระงับความโกรธและความพยาบาทบัตไม่ให้มันฟูเกินไปเพื่อเป็นการรักษากำลังใจให้มีความสุขนี่มาบารมีที่สี่ที่เรียกว่าปัญญา ปัญญาตัวนี้หาทางความรอบรู้พิจรารณาดูตามความเป็นจริงใช้ปัญญาในทัศนะของมัสโซดาบันอย่าลืมว่าบา ร, รมีตอนนี้เป็นบา ร, รมีของมัสโซดาบันมานั่งพิจรารณาหาความจริงว่าเราเกิดมานี่มันก็เป็นทุกข์ตั้งแต่วันเกิดถึงวันนี้ไม่มีอะไรเป็นสุขแล้วต่อไปกว่าจะถึงวันตายมันก็ทุกข์ตลอดเวลา ฉะนั้นความเกิดจริงเป็นปัจจัยทุกข์ที่เราไม่ควรคิดว่าจะเกิดต่อไปนี่การที่เราจะไม่เกิดต่อไปเราควรจะทำยังไงพยายามหาทางเแต่งความเกิดใหญ่มีอยู่สามอย่างคือโลภความโลภโทสะความโกรธโมหะความหลงเราจะพยายามหาทางทำลายความโลภให้พินาศไป ทำลายความโกรธให้พินาศไปทำลายความหลงให้พินาศไปตามกระแสพระสัธทธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สอนไว้ทำใดที่องค์สมเด็จไปจอมไตรบรมศาสดาทรงแนะนําว่าเป็นความดีควรประพฤติธปฏิบัติเราจะทําตามนั้นทุกอย่างโดยไม่ฝากฝืนคําสั่งและคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทำใดที่องค์สมเด็จพระสัมสมาสัมพุทธเจา้าทรงแนะนําว่าทำนั้นเป็นธรรมที่เป็นอกุศลคนละเราจะละทุกอย่างจริยาใดที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสัดากล่าวว่าเป็นปัจจัยให้จิต่อนสายเราทําตามนั้นมีอปัญญาของเราใช้ให้เป็นประโยชน์แล้วก็มีอารมณ์ทรงตัวอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาเป็นอันว่าทําให้เต็มอยู่ตลอดเวลา แต่ว่าเต็มขั้นระดับโะโสดาบันมาวิริยบในบารมีที่ห้าบารมีนี้องค์สมเด็จตุสมาสมุทธเจ้ากล่าวว่าต้องทำกําลังใจให้ทรงความเพียรต่อสู้ต่อประสักทุกอย่างที่จะเข้ามาขัดขวางไม่ว่าอะไรทั้งหมดที่จะเข้ามาทำลายหักล้างเรา เพให้หมดกําลังใจที่แย่พึงประคฤติปฏิบัติสิ่งหต่างหลเหล่านั้นเราไม่ต้องการมันจะมีบริสัทธต้านทานแข็งแรงเพียงใดก็ตามทีเรานี้จะไม่ยอมย่อท้อจะไม่ยอมถอยหลังเกี้ยกล่ำเป่าบราิสัทธนั้นให้พินาศไปถ้าเราไม่สามารถจะทรงกายไว้ได้คือจะตายเพราะพันี่ำเปาบราิสัทธนั้นเราก็ยอม เพื่อเราจะก้าวเข้าไปสู่ความดีกําลังใจอย่างนี้ต้องทรงเป็นปกติไม่มีการท้อถอยไม่ท้อแท้ไม่ถอยหลังนี่มาขันติความอดทนความอดทนต้องมีพระจิตเรามันชั่วยอยู่มากมาก็หาความดีอุปสรรคความจิตความอุปสรรคทางจิตมันก็มีมากก็ต้องต่อสู้กัน หมายความอุปสักคใดๆก็ตามจะเป็นอุปสรรคทางกายก็ดีอุปสรรคทางใจก็ตามที่มันจะเกิดขึ้นด้วยประการใดก็ตามเราไม่ยอมท้อถอยอดทนต่อสู้จริงถึงที่สุดกําลังใจจะไม่ยอมผ่อนลงให้ต่ําลงจะพยายามเฟื่องฟูอารมณ์ต่อสู้ให้มากขึ้นตามลําดับเร่ไม่ท้อถอยสัจจะต้องทรงความจริงใจไว้เสมอว่า เราจะนึกถึงความตายเป็นปกติไม่ประมาทในชีวิตเย่คิดไม่เสมอว่าเราจะต้องระคับระค อ, องอารมณ์ใจของเราให้อยู่ในขั้นในขั้นในความดีนั่นก็คือหนึ่งยอมรับนับถือคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์มีสินห้าบริสุทธิ์มีพระนิพพานเป็นอารมณ์ จะไม่ยอมไม่มีความต้องการในการเกิดต่อไปขึ้นชื่อว่าความเกิดจะไม่มีสําหรับเราข้อต่อไปจะเป็นข้อที่แปดเรียว่าอธิฐานบารมีอธิฐานนี่แปลว่าตั้งใจให้ทรงใจไว้ตั้งอารมณ์ไว้ว่าถ้าเราจะรมอย่างนี้เราจะทรงความดีเราจะเป็นบารสุาบันให้ได้เราจะไม่ท้อแท้เราจะไม่ถอยหลัง คุณธรรมอันใดที่มีจะทำให้เราเปาน็นประสงดาบันขึ้นหนึ่งมรณานุสติกรรมฐานร่างกายจะต้องตายรู้อยู่ทุกวันแล้วคุณพระพุทธประธรรมประสงค์คุณของศีลเราจำได้ทรงตัวใครจะชวนไปที่ไหนเราไม่ไปแล้วกาคุณพระรัตนตรายทั้งสามรายการนี้พอและมีศีลบริสุทธ จิตใจน้อมยอมรับพระนิพพานเป็นอารมณ์บารบมีที่ก้าวแงกล่าวว่าเมตตาตัวเมตตานี่เป็นตัวค้ำชุนที่มีความสำคัญจิตใจตั้งไว้มั่นว่าเราจะมีเมตตาความรักในตัวเราก็ดีบุคคลอื่นก็ดีสัตว์อื่นก็ดีจะไม่ยอมให้ฆ่าใจจิต คำว่าเป็นอมิกล่าวคือศัตรูจะไม่มีสําหรับเราเขาประกาศตนเป็นศัตรูเป็นเรื่องของเขาสําหรับเราไม่ยอมเป็นศัตรูกับใครจะมีเ ก, กจิตใจเต็มไปด้วยความเมตตาปราณีเป็นปกติข้อสุดท้ายเมค้าความวางเฉยตัวนี้หมายว่าเฉยตัวประศักด ขึ้นเจียวประศักด์ใดๆก็ตามถ้ามันจะพึงเกิดขึ้นกับเราโดยลักษณะใดก็ตามอาการอย่างนั้นจะไม่มีสำหรับเราเราไม่ท้อแท้เขาจะด่าเราก็เฉยเขาจะว่าเขาเราก็เฉยเขาจะชมเราก็เฉยแต่ว่าเฉยแบบประโสดาบัน มันจะป่วยไข้ไม่สบายก็เฉยมันจะตายก็เฉยเฉยแบบพระโสดาบันไม่ใช่แบบอรหันพระโสดาบันยังมีโกรธแต่ว่าระงับความโกรธเขาไว้ที่ว่ามันอยากจะด่าได้ก็าช่งมันโอดใจว่าไม่ตอบมันอยากจะเลวคนเดียวก็เฉืนเลวไปเราไม่ขอเลวด้วยไม่ช่วยสนับสนุนความเลวของเขานี่แต่มันอยากจะป่วยก็ทราบแล้วว่ามันจะป่วย ยาป่วยก็เชิญนักษ า, าหายก็หายไม่หายตายก็ช่างมันตายแล้วเรามีความสุขถ้าไม่จะตายก็เชิญมันตายไม่ว่าอะไรถ้าจะเกิดการพลาดพลาดแจกของรักของชอบใจก็รู้สึกว่ามันเป็นของธรรมดามีรวมความว่าการปฏิบัติเพื่อความเป็นพระเจ้าขั้นปรสดาบันเราก็มาสรุปกัน ในตอนที่เรียกว่าบารมีสิบประการนี่พระโบราณอาจารย์ที่ท่านสอนมาท่านสอนแบบนี้ท่านบอกว่าตอนนี้ต้องควบคุมกําลังใจในบารมีสิบประการให้ครอบทวนให้บกคร่องให้จิตมันเต็มอยู่เสมอเมื่อจิตมันเต็มอยู่ในขั้นบารมีสิบประการในขั้นของวาสนาบันแล้วอารมณ์ตอนหนึ่งไม่นจะเกิดขึ้น มันยังเกิดขึ้นมันเองคืออารมณ์มีจิตรักพระนิพพานเป็นอารมณ์อารจิตมีอรอลมนองเหนียวในพระนิพพานรักพระนิพพานคิดอยู่เสมอฝันอยู่เสมอใกล้คุณอยู่เสมอว่าเราต้องการบระนิพพานอารมณ์ที่ต้องการบระนิพพานนี่พระโบราณอาจารย์ท่านบอกว่าเวลานี้จิตเข้าสู่โคตรภูยานแล้ว คำวมาโคตรภูยานก็หมายความว่าจิตอยู่ในระหว่างโลกีกับโลกุตระเหมือนกับเรายืนอยู่ที่รํารางเล็กๆเกท้าซ้ายเหยียบทางนี้เท้าเท้าวขวาเหยียบทางโน้นทั้งสองเท้ายังเหยียบอยู่ไม่มีเท้าใดา ย, ยกถ้าเรียกว่าโคตรภูยานหลังจากนั้นไปชั่วขณะไม่มากนะักอารมณ์จิตก็จะยอมรับนับเพิกอดของธรรมดา จะมีอารมณ์เห็นว่าใครจะด่าใครจะว่าเจนินทาเจนันเสรินถือว่ามันเรียกเป็นเรื่องธรรมดาอารมณ์ใจจะไม่หวั่นไหวนักก็มีเหมือนกันแต่มีไม่มากนะักเรียกว่าพอมีแต่ว่ามีไม่มากพอตัวธรรมดาเกิดขึ้นมาแล้วตอนนี้อารมณ์ใจของเรามีความมั่นคงมีจิตตรงต่อพระนิพพาน มองไปดูทานก็เต็มเปี่ยมในการบริจาคทานพอใจในทาน <c oughs> มองไปดูสีนสินของเราก็บริสุทธิ์ผุดผ่องอันนี้ถ้าเราจะมองไปดูความรู้สึกพอใจในร่างกายก็รู้สึกว่ามารักน้อยลงไปเห็นว่าร่างกายเป็นแต่เป็นเรือนร่างที่อาศัยเท่านั้น เราจะไปมองดูคุณพระรัตนตรยัยคุณพระพุทธเจา้าคุณพระธรรมประสงเราไม่ยอมเหยียดหยามไปน็นอันขาดอิตใจของเรามีความเคารพพระรัตนตรยัยมีองค์สมเด็จพระบรมโล ก, กันนาเป็นสำคัญอนการอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านตามตําราและตามที่ท่านแนะนํากันมาทั้งกล่าวว่าเป็นประโสดาบัน ยิ่งถ้าเรามาพูดกันถึงมรส น, นาบันอาจจะถามว่าทาไมไม่แนะนำในการทรงฌานบ้างละ่ะก็ต้องตอบ ว, ว่าสำหรับความรู้ขั้นสุ ข, ขวิปัสสโกท่านไม่ได้ไปนั่งปล้ำกับสมาธิทั้งวันทั้งคืนท่านปล้ำกับอารมณ์ความคิดหาความเป็นจริงการทรงอารมณ์อยู่ใั้อยู่ในด้านกุศลคิดหาความตายว่ามันจะมีกับเรา คิดว่าเราก่อนจะตายเราจะต้องนับถือพระพุทธเจ้านับถือพระธรรมนับถือพระสงฆ์เพื่อกันอารมณ์หลงให้ไปสู่ไบายภูมิแล้วเราจะต้องมีศีลบริสุทธิ์เพื่อตัดอจ้ายภูมิให้มันเด็กขาดนอกจากนั้นก็มีอารมณ์มุ่งมา่ปรารถนาในพระนิพพานเป็นอารมณ์เมื่อว่ากันอย่างนี้ก็รู้สึกว่าเห็นว่าจะไม่มีอะไรมาก มันไม่มีอะไรมากแค่นี้บริษัทหลวงท่านพุทธบริษัทรวงความบัฟความบัฟการที่จะเป็นประสบดับันถ้าว่ากันสั้นๆก็คัดเศษเดียวจบมิว่ากันมาอย่างนี้ว่ายาวที่สุดน้อยคนนักที่เขยาจะปฏิบัติตามแบบนี้ที่ว่ามาแต่ถึงอะไรก็ดีก็พยายามว่าไป ว่าไปเพื่อความเข้าใจขบรนดาท่านพุทธบริษัทแต่ความจริงพิจรนารณาแล้วมันจะเกินเกินความพอดีไปทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าคุณแห่งระโซดาบันไม่จําเป็นต้องเดินทางให้ไกลถึงขนาดนี้การทิ่วายมาไกลหลายสิบกิโลแบบนี้ก็เกรงว่าท่านจะ ท, นท่านจะไม่เข้าใจตอนใดตอนหนึ่งเท่า น, นั้นอัลบรนดาท่านพุทธบริษัททุกท่าน รวมความวาอารมณ์แห่งเบร์โสดาบันในขั้นสุขวิปัสสโกสําหรับวันนี้ก็ถือว่าจบเต่เพียงเท่านี้และเบร์โสดาบันขั้นสุขะสุขวิปัสสโกก็จบลงตอนนี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดํารงจิตให้มันกําหนดรู้ลมหายใจเข้าให้ยใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัยเึงกว่าจะได้เวลาที่ท่านต้องการสวัสดี